ปัญหาข้อที่12เพราะเหตุไรวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาททั้ง5เราจะมีทางเรียนรู้เรื่องวิญญาณได้อย่างไรคําตอบโดยธรรมดาคนเราจะเรียนรู้อะไรได้ก็ต้องอาศัยการดูการฟังการดมกลิ่นลิ้มรสและมือจับถูกต้องแล้วเราจะเชื่อว่าสิ่งไหนมีอยู่จริง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 พลังงานก็หมดไปคนประเภทนี้เขาจะเปรียบร่างกายเหมือนกับเครื่องจักรและเปรียบจิตใจเหมือนกับพลังงานที่เกิดจากเครื่องจักรรันแล้วก็ลงมติว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณก็สูญแนวความคิดดังที่กล่าวมานี้เป็นของพวกวัตถุนิยมคนประเภทนี้ไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมมีอยู่คำว่านามธรรม หมายความถึงสิ่งที่นอกเหนือจากวัตถุเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากวัตถุสิ่งสิ่งนี้ไม่สามารถจะเรียนรู้หรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าและสิ่งที่ว่านี้ก็คือจิตหรือวิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจนถึงที่สุดคือรู้แจ้งทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและเรื่องวัตถุพระองค์ก็ทรงทราบเป็นอย่างดีและในที่สุดพระองค์ก็สรุปให้ฟังว่า สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามมีอยู่สองอย่างคือนามกับรูปนามหมายถึงวิญญาณและเจตสิกต่างๆคือคุณสมบัติของวิญญาณส่วนรูปหมายถึงธาตุทั้งสหรืออีงนยะหนึ่งรูปก็คือสิ่งที่เรียกว่าสสารและพลังงานในทางวิทยาศาสตร์นั่นเองของให้สังเกตว่า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 และในเมื่อมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า ส, าสารและพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความรู้โดยสิ้นเชิงส่วนจิตหรือวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้อะไรได้ต่างๆนับตั้งแต่ความรู้ในขั้นสัญชาตญาณจนกระทั่งถึงความรู้ในขั้นใช้สติปัญญาและญาณต่างๆ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 จะทำให้เราเข้าใจความหมายและเรื่องราวของวิญญาณชัดขึ้นคำว่าวิญญาณมาจากรากศัพท์สองคำคือคำว่าวิกับคำว่ายานะวิแปลว่าวิเศษแจ้งต่างๆยานะแปลว่ารู้เมื่อเอาคำสองคำนี้มาต่อกัน และเพิ่มพยัญชนะคื อ, อย่อหญิงขึ้นอีกตัวตามกฎไวยากรณ์ของภาษาบาลีก็จะได้รูปคำเป็นวิญญาณซึ่งเรียกหรืออ่านแบบไทยว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นคำนี้ตามสรรับจึงแปลว่าสิ่งที่รู้อะไรได้ต่างๆรู้อะไรได้อย่างวิเศษรู้อะไรได้อย่างจมแจ้งคำว่ารู้ต่างๆหมายความว่า สามารถจะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางสมองสามารถที่จะรู้ในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส ต, ต่างๆเรื่องนามธรรมตลอดถึงกฎเกณฑ์คนะุณลักษณะความหมายของสิ่งต่างๆคำว่ารู้อย่างวิเศษคืออย่างจำแจ้งนั้นหมายความว่าในเมื่อวิ ญ, ญญาณได้มีประสบการณ์ หรือได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นวิญญาณก็สามารถที่จะรู้อะไรได้อย่างวิเศษรู้อะไรได้อย่างจำแจ้งขอรีโปรดจาไว้ว่าสิ่งที่มีคุณในลักษณะเช่นนี้มีเพียงอย่างเดียวคือวิญญาณหรือจิตเท่านั้นอนหนึ่งโปรดสังเกตไว้ว่าข้าพเจ้าใช้คำว่าตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นี่หมายความว่าในเมื่อเรายอมรับแล้วว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่รู้อะไรเจนจบถึงที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นการรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้ยังมีเหตุผลสามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่รับเชื่อมาจากคนอื่นเพราะคำว่าตรัสรู้แปลามาจากคำบาลีว่าสัมมาสัมพุทโธซึ่งตามสัพแปลว่ารู้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง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 ดังที่กล่าวมานี้วิญญาณถึงแม้จะเป็นนามนธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเรียนรู้หรือสัมผัสได้ด้วยปราสาทั้ง5้าก็จริงแต่ถ้าหากเข้าใจคำว่าวิญญาณถูกต้องชัดเจนดีแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องวิญญาณโดยอาศัยการดูการฟังหรืออาศัยการจับถูกต้องก็ได้แต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่า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 คืออย่างน้อยต้องได้ฌานตั้งแต่ขั้นทุติยฌานเป็นต้นจึงจะสามารถเริ่มเข้าใจเรื่องวิญญาณได้จริงๆเพราะผู้ที่อยู่ในขั้นทุติยฌานขึ้นไปนั้นไม่มีความนึกคิดวิตกวิจาร์ไม่มีความนึกคิดเป็นผลมาจากประสาสัมผัสอยู่ภายใต้อิทธิพลของประสาสัมผัสและโดยธรรมดาคนเราเห็นอะไรมาแค่ไหนได้ยินอะไรมาแค่ไหนจาไว้ได้อย่างไร